เดินเลื่อยเปอยไม่มีสติอะไรเงี้ยบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนถ้าเราฉลาดเราปรฏบิบัติบูชาไปด้วย <yle? S 1> เดินไปด้วยความรู้สึกตัวหรือเราเดินจงกรมบูชาท่านทั้งอามิสบูชาทั้งปฏบิบัติบูช า, าก็ควบกันไปในขณะเดียวกันเลยเนี่ยทำอย่างนี้ก็ได้บุญเยอะ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 เมื่อชาาใครมาบ้างเขามากันหมดเลยเมื่อชาวรู้เรื่องเลยเรื่องปฏิจจสมุ ป, ปบาทปฏิจจสุบัทสสำคัญมากเลยถ้าเห็นแจ้งปฏิจจสุบัทมันก็ข้ามภพข้ามชาติได้ในปฏิจจสุบัท12บขั้นตอนถ้า12บสองขั้นตอนมีแต่เรื่องรูปนาม อวิชชาเป็นรูปหรือนามตัวอวิชชาเป็นนามธรรมแต่ความไม่รู้แ จ, จ้งในรูปนามไม่มีเรื่องรูปนามเน้อแต่ตัวความไม่รู้ตัวอวิชชาเป็นตัวโมหะเป็นนามธรรมตัวสังขารเป็นรูปธรรมหรือา น, นามธรรมนามธรรมตัววิญญาณเป็นนามธรรมาตัวนามรูปเป็นรูปนาม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 สังขารนะอาวิชาปรุงสังขารขึ้นมาก่อนจะมีรูปนามถ้ามีรูปนามแล้วมาปรุงต่ อ, อเรียกว่าพบชาติลหละรูประธรรมหรือนมามธรรมทั้งรูปทั้งนามความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจมีทั้งรูปทั้งนามตัวทุกข์ละ <c oughs> เอาลวสิไป <c oughs> ดูเอาเองก็แล้วกัน <c oughs>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 เราต้องช่างสังเกตเนี่หนึ่งดูสภาวะธรรมทั้งหลายจะไปทำแต่สมาธินิ่งซึมกระทือไปใครดูรูปดูนามเขาทำงานไปเรื่อยๆมันจะไปได้เร็วถ้าสียานถ้าเสียระยะแม่ตรท่านเป็นพระพุทธเจ้าประเภทวิริยาทิกะเพียนาวพระพุทธเจ้าบางองค์เป็นสมาธิกะทำสมาธิเยอะ พระแ ท, ท้เจ้าของเราเป็นปัญญาที่กะจะเร็วที่สุด้งั้นพวกเราจะเอาแต่ความเพียรก็ได้นะก็ไปได้เหมือนกันแต่นานหน่อยเ <c oughs> ดินเดินเดินเดินเดิน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ดีเหมือนกันสมัยก่อนหลวงพ่อจะเรียกตะบี้ตะบันเดินแต่ฟังแล้วไม่ค่อยเพลาะไม่เอาเอาเรียกพวกขยันเดินก็แล้วกัน <c oughs>